เรื่องนี้ขอมอบให้บรรดาผู้ที่มายอนแก่ทั้งหลายสวัสดีครับผมผมออสโฟเอสนะครับผมเจ้า mm hmm. พ่อระมงชาวบ้านขนาดแท้วันนี้ผมไม่ได้มาชวนระมงแต่ว่าวันนี้ผมมีของดีมาฝากแปลนๆหลายคนถามผมมาว่าอายุปูนีแล้วทำไมเวลาเชียระมงแล้วยังเต้นยังรำไหวนะฮะอันนี้ผมบอกได้เลย เพราะพอมีสมุนไพรแคปซูลเพชรดีกล่องสีเขียวนี่แหละครับทานแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยกระชับกระเฉงนะฮะแม่ทารักออสวอเอสชื่นชอบอยากจะสุขภาพดีทานสมุนไพรแคปซูลเพชรดีกล่องสีเขียวช่วยท่านแน่นอนเพื่อความมั่นใจโปรดสังเกตสติ๊กเกอร์3มิติสะท้อนแสงพิมพ์คําว่ากล้วยกล้วยและมีรูปกล้วยติดที่กล่องและฝากระปุกทุกกล่องครอร์เซนเตอร์ศ8นย์แปดห้ครับผม บอกยันดันยังไม่แก่รบ น, น้อง